บทที่เจดสิบสองโกหินาโธปโรสิยาขณะนั่งเรือกลับวัดพลมบุรีพระเจริญย้อนนึกถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมาสดๆรอ้อนๆ เกิดมาก็เพิ่งจะเคยพบเคยเห็นอาเช่าผีมาเข้าหลานเพราะอยากได้สมบัติของพี่ชายเห็นจะต้องนำไปเล่าสู่โยมยายฟังเพราะทําไม่ได้คาถากรรณยเมตสูตรที่โยมยายกําชับโยมพ่อสอนให้ท่านท่องตอนไปเรียนที่บางกอกป่านนี้ท่านคงต้องอับอายขายหน้าผู้คนบ้านนายอยู่ซุดโดยว่าเป็นพระ แต่กลับมาพ่ายแพ้ผีหรือดีไม่ดีอาจถูกผีหักคอมอดม้วยมรณาชีวาวายแวบเป็นปลาแปะปิ้งไปแล้วก็ได้แม้เจ้าหนุ่มสามคนรับปากแข็งขันว่าจะช่วยพอถึงคราวคับขันเข้าจริงๆโกงต่างคนต่างหนีเอาตัวรอดตามสัญชตาตญาณการรักชีวิตพ้นที่สุดไม่มีใครเป็นที่พึ่งได้ นอกจากตัวของตัวเองเหตุนี้กระมังพระพุทธองค์จึงตรัสสอนว่าอัตยิอัตโนนาโถโกหินาโถปรโรโอสยาตนแลเป็นที่พึ่งของตนใครไหนเล่าจะเป็นที่พึ่งแก่เราได้ผู้คนที่แออัดกันอยู่บนบ้านนายยูซุมีทั้งชาวพุทธมุสลิม เท่ากับมีพยานรู้เห็นทั้งสองฝ่ายและท่านจึงสรุปว่าคนเราเมื่อถูกอกุศลลมูลสามคือโลภะโทสะโมหะเข้าครอบงำจิตก็สามารถทำชั่วได้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นชาวพุทธหรือเป็นมุสลิมแม้ศาสนาทุกศาสนาที่มีคำสอนเหมือนกันอยู่สองประการคือสอนให้มนุษย์ละชั่วทำดี ก็ใช่ว่าจะมีผู้ปฏิบัติตามไปเสียทุกคนเฉพาะคนดีมีปัญญาเท่านั้นที่ปฏิบัติตามส่วนคนโง่เขลาเบาปัญญาก็าจะมองไม่เห็นคุณค่าหรือประโยชน์ของศาสนาจึงพา ก, กันก่อกรรมทาชั่วตามอานาจของกิเลสที่ชักจูงไปในทางเสื่อมดังนั้นทุกชาติทุกศาสนาจึงมีทั้งคนดีและคนชั่วปะปนกันไป นายเชี่ยวกับนายชาญอยากจานนับเงินในปาทแต่เห็นว่าไม่สะดวกเพราะเรือแล่นเร็วเกรงว่าเงินจะเปริวตกน้ำจึงเลิกล้มความตั้งใจหันมาคุยกับพระเจริญแทนหลวงพี่ของผมเยี่ยมจริงๆปราบผีโดยไม่ต้องใช้มีดหมอนายชาญเอ่ยปากชมต่อไปนี้พวกเรารวยแน่ตามหลวงพี่ไปไล่ผีแล้วขอแบ่งเปอร์เซ็น ในเชี่ยวเสริมนี่พวกเองริหากินกับพระรึพระเจริญสัพยอ ก, ก็คงทำนองนั้นแหละครับที่พระยังหากินกับโยมได้ถึงคราวที่โยมจะหากินกับพระบ้างเป็นไรไปนายเชี่ยวว่าจริงครับต้องถ่อยทีถ้อยอาศัยกันพระพึ่งโยมมามากแล้วคราวนี้โยมจะพึ่งพระบ้าง ในชาญสนับสนุนพี่ชายแต่ข้าไม่ร่วมมือกับเองหรอกนะข้ากลัวตกนรกจะกลัวไปทำไมหลวงพี่ตกก็ตกได้กันเลือดสุพันเสียอย่างพ่อเองเป็นคนสุพันหรือพระเจริญถามหมายใจยัว่วถึงไม่ใช่สุพันแท้แต่ก็เฉียดเฉียดและหลวงพี่สุพันกับเมืองสิงห์มันใกล้ๆกัน และโยมพ่อของหลวงพี่ล่ะเป็นคนสุพรร์หรือเปล่าน้องชายในเชี่ยวย้อนถามเพื่อไม่ให้เสียเปรียบพระนี่อย่าลามปามถึงโยมพ่อของข้าพระเจริญออกโกรธโกรธที่หลวงพี่ลามตามโยมพ่อผมละ่ะโยมพงโยมพ่อที่ไหนเองเป็นครือหัดมีโยมพ่อเดือรึท่านหันมาจาับผิดเรื่องใช้ภาษา เมื่อถูกฝ่ายนั้นโต้กลับเรื่องบิดาเฮนานาอีกหน่อยผมบวชก็ต้องเรียกโยมพ่อเหมือนลงพี่นั่นแหละในชานหาทางออกตอนนี้เองยังไม่ได้บวชจึงไม่มีสิทธิเรียนแบบข้านายเชี่ยวรู้สึกรำคาญประกอบกับไม่พอใจที่ถูกพระนมพูดพาดพินไปถึงบิดาจึงพูดขึ้นว่าผมว่าลงพี่เลิกพูดเรื่องพ่อไอชานมันเถอะ พระพ่อไอาชาญก็เป็นพ่อผมเหมือนกันเกิดผมโมโหทำร้ายหลวงพี่ตกน้ําตกท่าจะเป็นบาปกับผมเปล่าๆตกลงเลิกก็เลิกพระหนุ่มยอมรับเงื่อนไขยอย่างง่ายดายเพราะตรึกตรองรอบคอบแล้วว่าท่านเสียเปรียบทั้งขึ้นทั้งล่องเข้ามากันสองคนส่วนท่านตกที่นั่งส่วนท่านตกที่นั่งหัวเดียวกระเทียมรีบ หากมีเรื่องมีราวในหลอก็คงไม่ช่วยท่านใครจะเอามือไปซุกหีบละ่ะคนพวกนี้อยู่ในวัยคึกขนองเกิดมันเตะพระตกน้ำพระก็จะเจ็บตัวเปล่ายอมแพ้มันดีกว่าเพราะเราเป็นพระไม่งั้นคนโบราณถ้าจะสอนไว้หรือแพ้เป็นพระชนะเป็นมารพักใหญ่ๆเรือก็แล่นมาถึงบ้านแพน นายหล่อร้องตะโกนมาจากท้ายเรือว่าหลวงพี่จะแวะเรียรายบ้านแพนอีกรึเปล่าไม่วกไม่แวะแล้วกูอารมณ์ไม่ดีวอยนายชานตอบเสยเองหาเรื่องกับพระไม่ได้ก็หันมาหาเรื่องกับโยมกูถามหลวงพี่ไม่ได้ถามมึงนายหล่อว่าแต่กูจะตอบถึงมึงถามคนอื่นกูก็จะตอบ มึงข้องใจไหมเออสิว่าเอาอยัางไงก็เอากันกูชักเหนื่อยแล้วนะไม่ได้นั่งสบายเหมือนพวกมึงบุดชายในเหล่าเริ่มบน่นขากรับเรือแล่นทวนน้ำคนขับรู้สึกว่าต้องใช้เรียวแรงมากกว่าขามา มึงว่าหลวงพี่หรือในชานวกกลับมาหาคนเป็นพระอีกเปล่าว่ามึงสองคนนั่นแหละงั้นก็ไม่ยุติธรรมสิวะหลวงพี่ก็นั่งมาเหมือนกันถ้าจะว่าก็ต้องว่าให้หมดเออว่าหมดก็ได้ในหล่อแ้งประชดดีว่าง่ายดีแล้วมีอะไรข้องใจอีกไหมมีสิวะ อยากเตะคนวะเตะแม่มันตกน้ำซะดีมัง้งเฮ้ยเจ้าหลอ่อมึงชักจะมากไปแล้วนะเรื่องอะไรมาดา่าแม่กูแม่อชจานก็เป็นแม่กูถ้ามึงเตะไอจานกูอาจจะนั่งดูเฉยเฉยแต่ถ้ามึงเตะแม่มันรับรองกูเตะมึงแน่ในหลอ่อจึงตะโกนถามพระเจริญอีกว่า หลวงพี่ขออนุญาตจอดเรือแตะอสองคนนี่หน่อยเถอะพูดพลางนำเรือเข้าเสียบฝั่งภิกษุวัยยี่สิสองรีบยกมือห้ามไม่ต้องจอดถ้าเองจะกัดกันก็กลับไปถึงวัดเสียก่อนข้าขึ้นกุติและเองค่อยฟัดกันใครตายก็เอาเข้าเมนเผาเลยไม่ต้องจ้างคนหามพระหนมพูดอย่างรำคาญ ครั้นนึกถึงว่าที่ท่านต้องมาร่วมหัวจมท้ายกับคนทั้งสามก็เพื่อจะบอกบุญกับญาติโยมเมื่อบอกบุญแล้วได้บุญมาเต็มลำเรือแล้วใช่ไหนจะมาทะเลาะเบาแวงกันให้บุญมัวหมองเล่าท่านเป็นพระจะต้องทำหน้าที่ของพระดังนั้นแล้วจึงบอกคนทั้งสามด้วยเสียงค่อนข้างดังให้ได้ยินไปถึงนายหล่อที่นั่งอยู่ท้ายเรือว่า วันนี้ข้าได้ดูลิเกสองเรื่องแต่พวกเองได้ดูเรื่องเดียวที่ไหนคนทั้งสามถามขึ้นพร้อมกันได้ยินว่าลิเกก็หูผึงจิตใจชุ่มชื่นขึ้นมาทันทีที่บ้านไผ่กองดินเรื่องหนึง่งและในเรือลานี้อีกเรื่องหนึง่งโทหลวงพี่ก็นุ่มวัยชการสามคนครางพร้อมกันอีก โดยไม่ได้นัดหมายล่วงหน้าและต่างก็เกิดความละอายในสิ่งที่ทำลงไปพวกเขามากับหลวงพี่ด้วยจิตอันเป็นกุศลและเหตุไฉนจึงยอมให้ อ, อ ก, กุศลมาครอบงำจิตเล่าในเชี่ยวได้สติก่อนจึงแกล่งถามพระนมว่าที่บ้านไผ่กองดินลิเกเล่นเรื่องอะไรครับหลวงพี่เรื่องโลภะ ส่วนในเรือเนี่ยก็เล่นเรื่องโทสะมีคนแสดงอยู่สามคนพระหนุ่มตอบเกินคำถามและจะไปดูเรื่องโมหะได้ที่ไหนล่ะครับในหล่อตะโกนถามอย่างนึกสนุกก็อยู่ในสองเรื่องนี้แหละเพราะโมโหมันเป็นผู้กำกับถ้าไม่มีโมหะอยู่เบื้องหลังโลภะกับโทสะก็แสดงออกมาไม่ได้ ไหนบอกมาซิว่าอากุศลมูลสามอันเป็นต้นตอของความชั่วน่ะนะเอ็งว่าตัวไหนร้ายกาจที่สุดโลภะครับเพราะตัวโลภะเป็นเหตุอิตยุโซถึงได้เช่าผีมาเข้าหลานโลภะทำให้มันคิดชั่วทำชั่วนายเชี่ยวตอบอย่างมั่นใจผมว่าโทสักครับหลวงพี่ เพราะโทสะเป็นเหตุพวกผมสามคนถึงได้ทะเลาะกันที่เข้าฆ่ากันตายก็เพราะตัวโทสะนี่ละครับในชานไม่เห็นด้วยกับพี่ชายผมว่าโมหะตัางหากเพราะคนเรามีโมหะจึงทำให้มีโลภะมีโทสะถ้าไม่มีโมหะกำกับโลภะกับโทสะก็ไม่เกิดอย่างที่หลวงพี่ว่า ลูกชายในเหล่าตอบสมกับมีบรรพบุรุษเป็นมักคนายกถูกแล้วเจ้าโมหะเป็นตัวไร้ากาศที่สุดเพราะมันทำให้เกิดโลภะกับโทสะโมหะเป็นกิเลสพวกเดียวกับอวิชชาผู้ที่ละอวิชชาได้มีแต่พระอรหันต์เท่านั้นพระหนุ่มถือโอกาสเทศนอกธรรมาติพโสดาบัน ก็ยังละไม่ได้หรอครับนายหลอดถามย่อว่าแต่พระโสดาบันเลยแม้พระอนาคามีท่านก็ยังมีอวิชชาหลงเหลืออยู่ยิ่งปุถุชนอย่างพวกเองด้วยแล้วอวิชชาเต็มเป้าเต็มกระเป๋าเลยแล้วพระอย่างหลวงพี่ล่ะครับคงมีอวิชชาเต็มเต็มย่ามเลยเหมือนกันนายานอดไม่ได้ตามเคย ไอชานมึงอย่ามาว่าหลวงพี่นักเลยประเดี๋ยวก็ได้เล่นลิเกเรื่องโทสะกันอีกกลอกในหล่อเตือนคราวนี้ในเชี่ยวไม่เข้าข้างน้องเขาพูดสนับสนุนในหล่อว่าจริงด้วยกูชักกลัวตกนรกลรวสิป่านนี้พญายมจดชื่อลงหนังหมาไว้แล้วมัง้งนั่นสิเห็นเขาว่าทุกครั้งที่มีคนทำชั่ว พญาย ม, มารา จ, จะจดชื่อคนคนนั้นใส่หนังหมาเอาไว้คิดบัญชีตอนตายวันนี้พวกเราสามคนถูกจดชื่อไปกี่ครั้งแล้วก็ไม่รู้กูว่าไม่จริงหรอกในชาญไม่เชื่อเพราะถ้าจริงป่านนี้หมาหมดจากโลกไปนานแล้วมึงคิดดูสิประเทศไทยมีพลเมืองส8ล้านสมมติว่ามีคนทำชั่วเก้าล้าน ต้องถลกนังหมากี่ตัวถึงจะพอจดแล้วไหนจะประเทศลาวเขมรนพม่าอีกละ่ะแบบนี้หมาไม่หมดโลกหรือไงเขาคงใช่หมาของเมืองนรกนั่นแหละคงไม่มาเอาจากโลกมนกุษย์หรอกนายเชี่ยวสันนิษฐานเมืองนรกมีหมาด้วยหรือในชานสงสยัยถึงอย่างไรเขาก็ไม่เชื่อ ทำไมจะไม่มีก็หมาปากเหลกยังไงละ่ะที่มันกัดคนที่กำลังปีนต้นงิ้วในเชี่ยวบอกน้องชายอย่างที่เห็นในภาพชุดพระมล า, ายเยี่ยมเมืองนรกน่ะลึกูว่าคงเป็นเรื่องที่เขาเล่ากันมากกว่าคงไม่ใช่เรื่องจริงหรอกใช่ไหมครับหลวงพี่ข้าก็ไม่รู้เหมือนกันโยมยายของข้าเคยเล่าเรื่องพระมล า, ายให้ฟังบ่ยบอย ตอนข้าเป็นเด็กตอนนั้นข้าก็ไม่เชื่อแต่ตอนนี้ชักไม่ค่อยแน่ใจเพราะสิ่งที่โยมยายเล่ามักจะเป็นเรื่องจริงทั้งนั้นพระหนุ่มตอบแบบแบ่งรับแบ่งสู้ผมว่าผู้ใหญ่เขาเล่าอะไรก็เชื่อไว้ก่อนดีกว่า เชื่อได้ประโยชน์กว่าไม่เชื่ออย่างเรื่องนรกก็เหมือนกันถ้าเราเชื่อว่านรกมีเราจะไม่ทำความชั่วพอตายไปถ้าเราเชื่อว่านรกมีเราก็จะไม่ทำความชั่วพอตายไปถ้านรกมีจริงเราก็ไม่ต้องตกนรกแต่ถ้านรกไม่มีก็แค่เสมอตัวในหล่อเสนอแน่จริงของไอหล่อมัน ผมว่าอะไรที่เราเชื่อแล้วทำให้เราเป็นคนดีถึงสิ่งนั้นจะมีหรือไม่มีก็ช่างมันก็ไม่เสียอะไรจรึงไม่ครับหลวงพี่นายเชี่ยวเห็นด้วยกับนายหลอ่อก็แล้วแต่เองจะคิดสำหรับข้าเห็นว่าโลกนี้มันมีอะไรลี้ลับมหัศจรรย์อีกมากมายที่เรายังไม่รู้สักวันหนึง่งข้าจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า นรกสวรรค์มีจริงหรือไม่หลวงพี่พิสูจน์ยังไงนายชานถามอย่างสนใจข้าก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่ต่อไปอาจจะรู้ถึงตอนนั้นเองค่อยมาถามใหม่ก็แล้วกันตกลงครับและหลวงพี่อย่าลืมบอกผมนะครับเรือแล่นมาถึงท่าน้ำวัดพรหมบุรีตอนพบข้ามนายเชี่ยวอุ้มบาท ใส่ปัจจัยเดินตามพระเจริญไปยังกุฏิท่านสมภารปล่อยให้นายชาญกับนายหล่อช่วยกันขนเข้าสารขึ้นจากเรือสมภารชอบพิ่งสงน้ำเสร็จและครองไตรจีวรเรียบร้อยเห็นพระหนุ่มมาถึงก็ทักทายเป็นยังไงญาติโยมเขาให้ความร่วมมือดีไหมดีมากครับหลวงพ่อได้เข้าสารมาข้อลำเรือ กับปัจจัยเกือบเต็มบาทเดี๋ยวหลวงพ่อช่วยนับด้วยนะครับผมขอตัวไปส่งน้ำก่อนเหนื่อยมาทั้งวันท่านกราบสมภารสามครั้งแล้วลุกออกมาก็ได้เจ้าเชี่ยวจะอยู่ช่วยข้านับก่อนหรือเปล่าท่านถามในเชี่ยวผมก็ต้องขอตัวเหมือนกันหลวงพ่อให้เนนมาช่วยดีกว่านะครับพูดจบก็ก้มลงกราบสามครั้ง และลุกตามพระเจริญไปหลวงพี่มีอะไรก็เรียกใช้ผมอีกนะครับวันนี้ผมกลับก่อนละเขาบอกพระหนุม่มเมื่อเดินตามมาทันตรงทางเลี้ยวไปกุฏิของท่านเออขอบใจเองมากคงได้ร่วมงานกันอีกฝากขอบใจเจ้าชานกับเจ้าหลอด้วยนายเชยวยกมือไหว้พระหนุม่ม แล้วจึงเดินไปยังเรือเพื่อจะกลับบ้านขณะนั้นพวกเด็กวัดพากันมาช่วยขนข้าวสารขึ้นจากเรือเสร็จพอดีสมพานช่อนะับปัจจัยเสร็จก็เก็บไว้อย่างมิชิดคือใต้ฐานพระพุทธ ร, รูปที่อยู่ในกุฏิของท่าน จากนั้นจึงเดินไปยังกุฏิพระเจริญเพื่อจะขอบใจที่พระหนุ่มทำงานได้สำเร็จลุล่วงไปขั้นหนึ่งก่อนชีวาลับขอให้ท่านได้เห็นอุโบสถหลังใหม่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ในวัดพรหมบุรีญาติโยมจะได้กล่าวขานว่าเป็นผลงานของสมภารช่อท่านเองจะได้นอนตายตาหลับ ไม่ต้องห่วงหน้าพวงหลังเหมือนดังสมภารองค์ก่อนๆพระเจริญส่งน้ำเสร็จเรียบร้อยเห็นสมภารมาหาถึงกุติก็ลงมาต้อนรับนิมมลหลวงพ่อขึ้นไปคุยข้างบนก่อนเถอะครับอันที่จริงหลวงพ่อไม่ต้องลำบากมาเองให้ลูกศิษย์มาตามผมไปพบที่กุติก็ได้ไม่เป็นไรหรอกฉันก็อยากจะมาดูว่าเธออยู่ยังไง สะดวกสบายดีไหมหรือว่าจะขาดเหลืออะไรก็ให้บอกท่านคิดว่าจะต้องเอาใจพระหนุมรูปนี้เป็นพิเศษด้วยประจักษ์แล้วว่าเขาจะเป็นผู้ทําให้งานของท่านสำเร็จได้ดังใจหวังสมภารช่อ ข, ขึ้นมานั่งบนกุฏิคิดว่าจะอยู่คุยสักประเดี๋ยวค่อยกลับได้ปัจจัยมากไหมครับหลวงพ่อพระหนุมถาม ท่านคิดว่าคงได้หลายร้อยช่างเพราะก่อนขึ้นไปบนบ้านนายยูซุปท่านได้ร้อยช่างแล้วและหลังจากทาพิธีไล่ผีเสร็จพวกชาวพุทธที่อยู่บนบ้านก็พากันบริจาคเป็นการใหญ่ด้วยศรัทธาที่ท่านปราบผีสำเร็จได้ตั้งสามร้อยช่างแน่สมทบกับของเดิมที่ชัางสะสมไว้ สองร้อยช่างรวมเป็นห้าร้อยแต่เงินทั้งหมดที่เราจะต้องใช้ตั้งสี่สิบมืนตอนนี้มีอยู่สี่มืนยังขาดอีกสามสิบหกมื่นแล้วจะลงมือสร้างเมื่อไรครับคงต้องรอให้ได้เงินครบเสียก่อนฉันก็เห็นแต่เธอนี่แหละที่จะช่วยได้คนอื่นคงพึ่งพาไม่ได้ ประเภทบวชเสียเข้าสุขท่านถือโอกาสตำหนิพระลูกวัดไม้เอาใจพระเจริญแต่นั่นกลับทำให้พระหนุ่มได้เห็นสัจธรรมจึงรำพึงในใจว่าใครช่วยเขาได้ก็ว่าดีใครช่วยไม่ได้ก็หาว่าบวชเสียเข้าสุขมนุษย์ก็เป็นเสย่างนี้ใจคิดอย่างหนึง่งแต่ปากพูดอีกอย่างว่า อาจารย์เชยบอกว่าจะสร้างเสร็จภายในสองปีแต่ผมว่าไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะนี่จะครบปีแล้วเพิ่งได้เงินแค่สี่หมื่นเองพระหนุ่มออกวิตกจะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของเธอฉันเชื่อในคำทํานายของพระอาจารย์เชย แล้วก็เชื่อในวาสนาบารมีของพระเจริญโยมยายของเขาออกร่ำรวยคงจะช่วยล้านช่วยสร้างให้เสร็จนั่นแหละสมภารช่อพยายามพูดให้กำลังใจพระนมแต่หลวงตาก็ทราบดีว่าโยมยายของผมนั้นเป็นคนขี้เหนียวขนาดไหนตอนอยู่บางม่วงหมู่เขารู้กันทั้งตำบลเดี๋ยวนี้ยายมาอยู่ตลาดปากบาง คนก็รู้กันทั่วทั้งตลาดทำไมถึงย้ายละ่ะอยู่บางม่วงมูก็สบายดีไม่ใช่รึสบายดีครับแต่ตอนหลังๆโจรผู้ร้ายชุกชุมทั้งปล้นทั้งฆ่าไม่เว้นแต่ละวันโยมยายจึงชวนโยมพ่อขายบ้านช่องวัวควายแล้วก็ย้ายมาอยู่ตลาดปากบาง เ, เงินที่ขายได้ก็นำมาซื้อที่ปลูกห้องแถวอยู่กันถึงจะคับแคบ แต่ก็ปลอดภัยจากโจรผู้ร้ายนะครับหลวงพ่อมนุษย์เรานี่มันแย่ลงไปทุกวันนะเธอฉันหมายถึงพวกโจรที่เที่ยวเปียดเบียนชาวบ้านร้านถิ่นเานาะคนพวกนี้ไม่มีศีลมีฉะนั้นก็คงไม่มาเป็นโจร น, นั่นสิครับแต่คนเรามีศีลห้าก็ยังไม่เบียดเบียนกันโยมยายของผม ถึงจัตรณีทีเหนียวแต่ก็ไม่เคยเบียดเบียนใครเพราะรักษาศีลอย่างเคร่งครัดโยมพ่อกับโยมแม่ก็เช่นเดียวกันแต่นับวันคนรุ่นนี้จะลดน้อยลงไปคนรุ่นใหม่ก็ไม่ดำเนินรอยตามคนรุ่นเก่าในอนาคตคนจะทุศีนกันมากขึ้นครับโยมยายเล่า ว, ว่า เมื่อเลยกึ่งพุทธกาลไปแล้วคนจะไม่ค่อยปฏิบัติตามคำสอนของศาสนาเพราะสัตว์นรกมาเกิดมากคนพวกนี้หน้าตาเป็นมนุษย์แต่จิตใจเป็นสัตว์นรกจึงไม่คิดสร้างความดีพวกเขาจะสร้างความเดือดร้อนวุ่นวายให้กับสังคมอีกไม่กี่ปีข้างหน้าก็จะถึงกึ่งพุทธกาลคนดีจะล้มหายตายจากไป คนชั่วก็จะมาแทนเด็กที่เกิดหลังปี2500จะเอาดีไม่ค่อยได้เพราะคนส่วนใหญ่เป็นสัตว์นรกมาเกิดพระนมเล่าขานตามที่ฟังมาจากโยมยายก็ต้องตามแต่กรรมของเขาคนเราถึงจะมาจากเมืองนรกแต่ถ้าจะกลับเนื้อกลับตัวเริ่มต้นสร้างความดีในชาตินี้ก็ไม่สายเกินไป แต่ถ้าเขาไม่สร้างความดีสร้างแต่ความชั่วช้าพอตายไปก็ตกนรกอีกเวียนว่ายตายอยู่อย่างนี้ไม่มีวันจบสิน้นความดีทำยากนะครับหลวงพ่อผมว่าคนที่ทำความดีต้องฝืนใจส่วนความชั่วนั้นทำง่ายคนที่ชอบทำอะไรง่ายๆก็เลยพากันทำชั่วเอาละเอาละถ้าจะพูดเรื่องนี้คงไม่จบง่ายๆ เธอคงจะเหนื่อยมาทั้งวันพักผ่อนเธอฉันไม่กวนแล้วพูดจบก็ลุกขึ้นเดินลงจากกุฏิพระเจริญเดินตามมาส่งที่หน้าบันไดสมพานไปแล้วจึงขึ้นมาล้างมือล้างเท้าทำวัดเย็นแล้วจึงจำวัดอาจเป็นเพราะจิตครุ่นคิดถึงเรื่องการสร้างพระอุโบสถพระนมเลยฝันไปว่าได้คุยกับหลวงพ่อสุขแห่งวัดครองมะขามเท่า หลวงพ่อบอกเกล้ากระผมว่าจะสร้างโบสถ์เสร็จภายในสองปีคงเป็นไปไม่ได้หรอกครับเพราะยังขาดเงินอีกตั้ง36มสิืนเป็นไปได้สิฉันพูดคําไหนก็ต้องเป็นคํานั้นหลวงพ่อสุขยืนยันแต่เงินอีกตั้งมากมายนะครับนี่ก็เข้าค่อนปีแล้วได้เงินแค่สี่หมื่นเท่านั้นหลวงพ่อช่อบว่า ต้องให้ได้เงินครบเสียก่อนจึงลงมือก่อสร้างนั่นแหละเมื่อไรลงมือสร้างเมื่อนั้นก็เสร็จภายในสองปีแล้วเมื่อไรถึงจะได้ลงมือสร้างละครับเธอบวชครบห้าพันษาเมื่ อ, อไรเมื่อนั้นก็สร้างได้ตอนนี้เธอยังบวชไม่ครบ 2, สองพันษานี่นะทานบารมียังไม่แก่กราพอต้องรอให้ครบห้าพันษาก่อนละครับถูกแล้ว ถึงตอนนั้นเธอจะพบคนอุปถัมภ์หลายคนในบรรดาคนเหล่านั้นมีอยู่คนหนึ่งที่เธอเคยก่อกรรมทำเข้นไว้กับเขามากมายแต่เขาจะโอโหสิให้เธอและจะช่วยสร้างโบสถ์กล่าวกับผมนึกไม่ออกว่าเป็นใครเพราะก่อกรรมทำเข้นไว้หลายคนเหลือเกินกล่าวกับผมเกเรมากสมัยเป็นเด็กข้อนั้นฉันรู้ เพราะอย่างนี้แหละเธอถึงต้องมีอันบวชตลอดชีวิตเบื่อใช่หนี่คนและสัตว์ที่เคยทำกับเขาไว้เอาละฉันมีงานอื่นต้องทำเธอหลับต่อเถอะฉันจะกลับแล้วภาพหลวงพ่อสุขหายไปพระหนุ่มรู้สึกตัวตื่นลุกขึ้นนั่งมองซ้ายมองขวาก็พบแต่ความมืดไม่มีแม้เงาหลวงพ่อสุข ยังรู้ว่าฝันไปกระนั้นก็รู้สึกปลอดโปร่งโล่งใจอย่างประหลาด